Book ส9บแปสันธานซอนสันธานเดโวเดลนีวสนิกิการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปอทานเย รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปโ ร, รงแรมอยู่สบายก็จริงแต่นแพงเกินไป เย บ, บิอุสิตเซอร์ удоб ันวันเดอร์พาพริดรักเขานั่งรถเมหรือไม่ก็นั่งรถไฟอั b o d ชเชวบอดีซี ส, สลเขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา้าอับป เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ เธอเคยอยู่ทั้งในมดริดและในลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยีเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้า ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ rad, ere, ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดขานขึ้นเท่านั้น